ฟังทรรมกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบตับการปฏิวัติธรรมเวลานี้โอกาสนี้เรามาเข้าสู่ภาคสนามคืการคือกรรมาฐานไม่ใช่การเรียนรู้ กรรมฐามคือที่ตั้งของการกระทํามีงานในการงานในกายในใจยิ่งใหญ่กว่างานภายนอกมีสติมาตั้งไว้ที่กายอย่าไปตั้งที่อื่นอยาให้สติออกจากกายได้ให้กายออกจากสติได้ เอามาตั้งไว้ผัดให้มันอยู่ด้วยกันถ้ามมนมีสติรวมหลงก็จะมาคองกายคลองใจรวมหลงมาเป็นธรรมต่อกายต่อใจเมื่อมีสติมาตั้งไว้กายใจก็จะมีความเป็นธรรมเกิดขึ้น รับความเป็นธรรมนักขของกายของใจเราปล่อยปะละเลยตัวของเรามานานกอสมควรให้ความหลงของกดของทุกความลักของชังเข้าออกอยู่เรื่อยต้องมีปัญหาเราต้องยึดด้วยก่อน เพื่อจะมีชีวิตที่ไม่มีภัยเรียกว่าเยะบุคคลการปฏิบัติการประกัดเรียกว่ากรรมาฐานกรรมาฐานในที่เกิดแห่งวิปัญนาด้วยปัฒนาคือความรู้แจ้งเรื่องกายเรื่องใจ ไม่มีปัญหาไม่มีความสงสัยต่สติตั้งบที่กายสติก็ของกายของใจเห็นความเป็นเท็จเป็นจริงอย่างไงตรงกานข้ามกับความหลงออ งานเกิดขึ้นก็เห็นงานมีงานในการทํามีงานในการทำไม่มีความรู้เห็นความหลงเห็นความหลงเกิดขึ้นเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั่นคือตัวปฏิบัติถ้าไมาเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไม่ใช่ปฏิบัติเลย 10ปี20ปีก็อยู่ที่นั่นความหลงก็ยังเข้าออกเข้าออกอยู่เป็นทางแห่งความหลงกายใจท่องเที่ยวอยู่เมื่อมีความหลงก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความโลภความโกรธผิดตกกังวลเศ้าหมองถ้ามีความรู้สึกตัวก็ปกติ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 ความป่าเถื่อนความโลธความโกรธความหลงความทุกข์ปัญหาต่างๆให้เป็นปัญญาจึงฝึกกรรมาฐานกันมีเท่านี้งานนเดียวกันงานส่วนรวมแต่ว่าทำตัวเองและเป็นส่วนรวมได้จึงเป็นเรื่องที่ ปฏิเสธไปได้ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองให้ดีปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุม้มอย่าปล่อยปะแล้วเลย <c oughs> อย่างคืนว่าฝันกลางวันไว้คิด มีปัญหาก็ต้องให้เกิดปัญญาเมื่อมีกรรมฐานเกิดขึ้นก็เกิดวิปัชนายานอย่างลูกแจ้งได้คำตอบเห็นทุกอย่างที่มีอยู่ในกายในใจไม่มีตรงไหนปิดบางพางแต่เมื่อเชื่อปัญญา อยู่ในกายในใจเรียกว่าตำลอเล่มใหญ่ให้มันจบซะถ้าจบร่างกายร่างใจแล้วจะอยู่กัน้วยความสงบร่มเย็นอยให้มีอะไรต้องมาลูกเรื่องนี้ดูแจ้งในเรื่องนี้จะไปลูกเรื่องอื่นมากเกินไป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 บางทีเราก็พึ่งว่าอาศัยสิ่งอื่นนอกจากรึ่งกายพึ่งใจเรามากเกินไปตัวทิ้งกายใจมากเกินไปบางทีก็พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งสามีพันยาพึ่งอะไรทุกอย่างเร็วที่สุดก็พึ่งเล่าพึ่งโบรีพึ่งการเที่ยวเตะเล่น ได้ความสุขเปลี่ยนความทุกข์บาทีก็ ค, ความสุขความทุกข์แย่งกันออกหน้าออกตามันไม่จบไม่สิน้นสุขทุกข์มันเกิดจากความหลงต่างหากถ้าไม่มีความหลงก็มไม่มีหดอกสุขทุกข์มันเป็นปกติมันไม่มีอะไรใช่มันหลอกได้ แล้วนี่เรามัน ม, มากเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนอกจากกายจากใจไปล้าเกี่ยวข้องกับกายกับใจถูกต้องแล้ว <c oughs> มันก็ถูกไปบดไม่มีปัญหาอะไรฉันเห็นแจ้งเกิดภาวะที่เห็นขึ้นมาในกายในใจ เมื่อเห็นกายเห็นใจก็เห็นคนอื่นรู้จักช่วยกายช่วยใจก็รู้จักช่วยคนอื่นราบอันเดียวกันชีวิตของคนเราในการเกิดเจ็บตายเหมือนกันไม่เป็นเรื่องใหญ่เรามีทุก ว่ามีปัญหาจากน้อยก็ยางเฉพาะหน้าเราคือมีความตายความทุกข์ยางเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอร์นหน้าแล้วทำจะไหนกรนทำที่สุดแต่งกองทุกข์ทั้งเส้นนี้จะปรากฏเฉยๆเราได้นี่ทุกคนต้องมีปัญหาเป็นกันหมด ในลูกก็มีทุกในน้ำก็มีทุกต้องหายใจเข้าหายใจออกต้องร้อนต้องหนาวต้องหวิวต้องจินต้องขับต้องถ่ายเพื่อวีนเทาเกี่ยวกับรูปก็หายใจไม่ได้จะทำยังไงถ้ามีอะไรกินจะทำยังไงถ้าหนาวถ้าร้อนทำไง ให้มันมีปัญหาหรือมีปัญญาได้ไหมปัญญาพุท ธ, ธะมันเป็นปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาโลกโลกแต่นั่นเป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาที่เป็นอาชีพแต่ปัญญาที่เป็นชีวิตจริงๆมันต้องเกิดจากโลกกู้ในกองสงขารคือนกายขึ้นใจ นี่อ่ะให้มันรู้แจ้งซะไี้ว่ากรรมาฐานวิปัชนนายานเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเกิดการเห็นขึ้นมาทุกอย่างที่มันอยู่ในการในใจเห็นหมดเห็นแล้วม่เข้าไปเป็นกับมัน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 แต่ลินแผนผ้นาอากาศป่าไม้ต้นน้ำมีมดมีแมลงมีอะไรต่างๆมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของเขาเองอะไรก็ป้องกันตัวเขารู้จักป้องกันภัยต่อภัยหาอยู่หายกินเป็นเหมือนกันหมดการหาอยู่หอยกินก็ต่างกันไปบางทีก็ มองเห็นต่อชีพผ่องคันและกันต่อที่ผ่องเขาจงก็หาจินมากัดเรา <c oughs> แล้วก็พ้องกันให้ยุ่กัดแต่จงก็หาจนได้จิน ถ้าไม่ได้หามันก็ไม่มีกินมันก็อยู่ไม่ได้อาชีพของวัตถุสัต่างๆก็ต้องมีอาชีพของเขาเราก็มีอาชีพของเราอางทีคนเราก็หาจินข้าววัวข้าควายว่าพ่นหาชี้อะไรก็มีมเบียนคนอื่นชิ้อื่ น, นวัตถุอื่นด้วยไปลักไปพ้นไปขมขืนไปอะไรต่างๆ เราก็มีปัญหา <c oughs> ถ้ามารู้จักต้องกอจริงแล้วก็เป็นคนคนเดียวกันชีวิตในโลกเนี่ยการรู้จักป้องกันหรือว่าศีลรักษากายรักษาวาา่าใจรักษาใจเป็นศีลไม่แน่นอนแต่ต้องรักษาโยมก็รักษาให้มันกัดร่างกายก็ต้องรักษามัน เตอใช้มันเหมันก็รักษาเพื่อแพร่เตอรักษาเพื่อขี่ข้ามภาคไม่ใช่ว่าเป็นของเราแต่ลานี้มันก็ผุพังไปเรื่อยเฉือมทมไปเรื่อยใช่มันมันใช่ให้มันคุ้มค่าแตใช่กายใช่ใจคุ้มค่ามันก็จบยอดชาต เช่นแล้วผรมัจจันทร์จบแล้วจิตตื่นต้องทำไม่มีอีกแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศออกมาในวันตัจรุเราก็สามารถประกาศได้ไดสักวันห น, นึ่งยกเปลวไาวตัวเงได้เพราะกรรมาฐานวิขิตชิวิตของเราไป ไม่ควรปฏิเสธงานกรรมฐานเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงมันหลงมีหน้าที่ไม่หลงมีสิทธิไม่หลงมันโกรธมีสิธิไม่โกรธใชยสิธิไม่โกรธได้มันทุกมีสิทธิไม่ทุกต้องใช้สติของเราไห้ว่าชีวิตถ้าปล่อยทุก ถ้าป่อยให้โกรธ ถ, ถ้าป่อยให้อะไรต่างๆปัญหาต่างๆหรือว่าสละสิทธิไม่ไม่คุ้มค่าปล่อยป่าแล้วเลยเถื่อนความเถื่อนถ้าไม่มีะระเบียบมันก็เถื่อนที่การที่ใจก็เถื่อนไว้อีกหลายอย่างปล่าเถื่อนไว้เลย เป็นปัญหาไปได้เลยปฏิบัติธรรมมันเป็นสร้างความเป็นธรรมให้แก่ตัวเองเมื่อตัวเองมีความเป็นธรรมจิงอื่นก็มีความเป็นธรรมวัตถุอื่นคนอื่นก็มีความเป็นธรรมไม่ใช่เราคนเดียว <c oughs> <c oughs> เราอยู่ในโลกมีสัตว์โลก ไม่ท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆมีฝนตกมีน้ำท่วมมีฝนไม่ตกมีฝนแรงน้ำไม่มีธรรมชาติเพี่ยนไปมากเกิดพิบัติด่าโมือของเรา ชีวิตของเราที่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ถูกต้องดังนี้ก็เสียดายเสียดายธรรมชาติถ่านนี้จากเราไปสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาอยู่ที่นี่เสียดายอย่งเก้งก็มาได้ยินเสียงก็ลอกก็แตกก็มาคยได้ยินเสียงนกวางเพศหายไปแล้ว ถ้จะสังเกตลึกดูลึกมันก็ให้คำตอถ้าผลจะเหลือก็บอกเราถ้าผลจะมีธรรมชาติก็สอนเราถ้าผ่าหัวป่าหมอลมัวคอหน่อไม้นั้นบอกเราถ้าผ้าผ่าหัวป่าหมอรมหัวคอหน่อไม้แสดงว่าผลจะหมดไปแล้ว นกแก่นแม่นออกเรานกเจ้าข้อกอกเดี๋ยวนี้ไม่มีว่าฝนก็ไม่บอกฝนจะดีฝนจะตกวันไหนค้อแม่คนบอกลมเปลี่ยนทิศทางทางไหนรู้จักแม่เด็กเลี้ยงควยก็รู้จักฝนจะตกต้องเรียกเย็บหมวกไใบตองเอาไปตองมาเย็บเป็นหมวกใส่ การฝนมา <c oughs> บอกกันเป่นฝนจะตกหลมพัดเข้าไปทางนี้ฝนจะตกแล้วก้อนเมฆก็นั่นอยู่ตรงนั่นก่อนเมฆก็อนนีตรงนี้ทางที่เจ้าดามองดวดาวมองดวก่อนเมฆมองดูแสงทิตตอนขึ้นตอนเช้ากูฝนกูด้ามกูลมมาอยู่ตรงไห น, นมันบอกเรือนี้เพี้ยนไปหมดแล้ว นกแกแวนก็มีนกแสงแซวก็มีอะไรต่างๆมาหมดไปแล้วนกกลางคืนมันร้องนกกลางวันมันร้องสัตว์ปางเพศมันร้องกลางคืนสัตว์ปางเพศร้องกลางวันนี่แม้แต่เสียงไก่ก็ไม่ค่อยจะขันเท่าไหร่นกเขาก็ขันผิดเพียกกเพ้ยนไปแล้วกาก็ร้องผิดเพี้ยนไปแล้ว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 ถ้าหมาตัวใดตัวนั่นเห่าด้วยโจนผู้ล่ายเข้าบ้านเข้าเมาืองแต่ว่าเห่าแบบนี้ในปาน่าในตรงเรื่องมันพบมันพบสัตว์ป่าถ้ามันเห่าแบบนี้สัตว์ป่าอยู่ในรูถ้ามันเห่าเสียงนี้มันอยู่สัตว์ป่าอยู่ต้นไม้เตรียมไปได้เลยเตรียมจอบไปขุด เจ้าของหมาที่มันไม่สัญญาของมันบอกจ่มันเห่าวันนี้กลางคืนด้วยโจรผู้ร้าย้าไปบอกกันลงบาา้านหาลัดเตรียมสตาวดธไปแล้วก็บอกแต่ที่ไม่มีแล้วมันบอกไปแล้ว ธรรมชาตินําหมดไปเพราะอะไรมันเพี้ยนเพี้ยนเพราะอะไรเพี้ยนเพราะฝีมือคือมือของคนเข้าเมาวก็ไม่เชี่ยไปมาก่อนอุชาไปฉันเข้าเมาสกุลนครจินเลอะท้องเสือไม่เชีไม่มีรสชาติมาเมื่อก่อนอะไรแล้วก็ เีมือของคนเราเนี่ยจะทำไงพวกเราในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะมาสร้างโลกอย่างไรมือห้านิ้วสิบนิ้วของเราทําความดีเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนความหลงให้เป็นความรูร้ได้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ได้เดี๋ยวนี้มีไหมความหลงมีไหมความทุกข์มีไหมความโกรธถ้ามามีก็เปลี่ยนไป ถ้ามันมีแล้วไม่เปลี่ยนก็เป็นปัญหาเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นจะปล <c oughs> okay. ่อยนั่นได้ไงกระตือรือร้นมากเห็นความหลงเนี่ยโอ้ยก็ตือรือร้นเห็นความทุกข์โอ้ยขยันตรงเนี่ยขยันตรงที่มันหลงขยันตรงที่มันทุกข์ขยันตรงที่มันโกรธแต่บางชีวิตนีอ่อนแอไปเลยไม่ขยันนะ เขาหลงที่ใดก็หมดเรีย่ยวหมดแรงไปแล้วทุกทีใดโกรธที่ใดก็ดกดกหมดเขาขาดแรงแจงคาดหม้อถ้าผัวเมียโ ก, กรธกันก็ไม่มีน้ำจะกินแล้วมันทําอะไรไม่ได้ถ้าเราศึกษาสักหน่อยหนะนึ่ยมันเป็นจุดที่เราต้องแก้ไขให้ได้เดี๋ยวนี่นี่เอง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 ฉันมันไม่มีอะไรฉันจบอะไรก็รู้แล้วอะไรก็รู้แล้วในการในใจเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่รู้เรีกว่าโลกากวิทูวันพระที่เจ้ารู้แย้งโลกอนุตโรโภริชาธรรมชารธีสามารถฝึกบุรุษไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าเหมือนชาลธีฝึก มาพุทเจ้าก็สาธิฝึกคนมีแล้วพเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เพื่อธรรมธรรมคมสอนเป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปริพัพ่านั่นมันจบซะหมดพะยศแล้วชีวิตเราถ้าหลงอยู่ก็ด้วยมีพะยศะอยู่ ถ้าหลงก็มีพยศบางทีเราก็เพิ่งไม่ได้พ <c oughs> ยดเราก็เบื้องเราไม่ได้มีกายก็เพื้องกายไม่ได้มีใจก็เพื้องใจไปได้เป็นทาตของใจเป็นทาตของกายเราต้องเป็นนายมันใจเป็นนายกายเป็นเรือ ส ต, ติเป็นหางเสือปัญญาเป็นไม้พายาเราก็เถียนสอนคิดเป็นนายกายเป็นใหญ่ไม่ใช่คิดเป็นนายกายเป็นเรือแล้วสติเป็นหางเสือด้วยจะหางเสือไหมหางเสือของเรือ เวลาใช้มันหมวนไปวิ่งไปหางเสือมันปั่นน้ำมันพายไปจะดัดไปทางไหนอางเสือมให้มันดัดปัญญานี่ยประกองไปมันเขาพีพายแข่งเลือกัน เราต้องรู้จักใช่กายใช่ใจเราเดี๋วนี้เราไม่รู้จักใช่กายใช่ใจอะไรยื่นมาให้ก็เอาเลยความรักยื่นมาก็เอาความรักความเกลียดขึ้นมาก็เอาความเกลียดความทุกข์ยื่นมาาความทุกข์ความหลงยื่นมาให้ก็เอาความหลงอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจนึงว่าตน เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ท่านเจ้าสอนแต่เริ่มต้นกายสภาวากายไม่ใช่จัดตุโกณโตตนเราเขาอะไรที่เกิดกับกายนับไม่ท้วนความร้อนความหนาวความเหิยวความเจ็บความปวดวอะไรต่างๆมาที่จะขอบคกนมันโยงกัดมันเจ็บ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 ตัวตนบางทีความอะไรคกอกับกิดนั้นหรือว่าตัวว่า ต, ตนแม้แต่ความโกรธก็ด้ ว, ดว่าตัวเรายึดเอาความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนทำ ต, ตามความโกรธสำเร็จตามตามความรักสำเร็จผิดพลาดจนยิ่งใหญ่มันไม่ใช่ตัวตน ถ้าไปหลก็เป็นปัญญาตรงนี้ได้ถ้าหลงก็มีปัญหาเลยไปในปัญหาถ้ารลภ์้าศึกษา ก, ก็เป็นปัญญามันมีอยู่เช่นผมบางภูเขามีสติเห็นกายเป็นกรรมฐานแต่โูภวิปัจจนาเห็นรูกเห็นนาม เห็นรูปเป็นน้ำเห็นขณะที่มันคิดไปเห็นรูกเป็นน้ำขณะที่มันเดินพร้อมกันไปเรากำลังรูก้การเดินของเราเรากำลังรู้อยู่ในการเดินที่มันเป็นรูปเดินไปเรากาลังรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวที่มันเป็นรูปอยู่อดีมันคิดึ้นมา ก็เห็นต่อหน้าต่อตาในความคิดไปกำลังดูอยู่มันเกิด ค, คิดขึ้นมาก็มันคิดขึ้นมาก็มันก็ขณะเดียวกันนั้นมันก็เป็นภาวะสองอย่างในความหลงในความโล้สองอย่างให้ดูดีๆตรงนี้จะเห็นรูปเห็นนาม อย่าเป็นกบเกื่อนไว้ใส่ใจตรงนี้ชักหน่อยเห็นรูปเห็นนามกระเอกันเลยแปลว่าหนึ่งกําลังดูกายดูฝ่าหนึ่งกําลังจะให้มันหลงกายหลงใจอยู่ก็เห็นรูปเห็นนามกะเดียวกันมาพ้อมกันขณะเตียวกันเหมือนพระเจ้าอาเจ้าศัตรู ความล็กกับความเปลียดมาพร้อมกันขังพ่อเจ้าระเจ้าพิมิสารไว้ใ น, ในคุคกูกพระเทวทัตหลอกให้ฆ่าพ่อว่าจะได้คลองราชสมบัติถ้าจะฆ่าก็ฆ่าไม่ได้ ก็เอาไปขังคุกไม่กินข้าวไม่กินน้ำที่นี่อาคาเมีขสงพระเจ้าษษษษษเป็นสารก็ไปเยี่ยมในคุกต้มข้าวน้ำข้าวทาร่างกายเอาไว้ก็เขาก็ตรวจไม่ให้ดำาะไรเข้าไป ถ้าจะให้พระเจ้ามิสารตายไม่กินข้าวก็เป็นเมียก็เอาน้าข้าวใส่ตัวเข้าไปไม่มีอะไรก็ไปถึงในโคกก็ถอดเสื้อออกก็มีน้มข้าวติดตามผิวหนังพระเจ้ามิสารก็เลี้ยว <c oughs> ดูสิอยู่ได้นะเตียผิวหนังเพราะมีน้มข้าว ก็อยู่ได้ไม่ตายแให้คนเอาหมาไปดูยังเดินจงกรมอยู่ไปดูที่ใดก็เดินจงกรมอยู่เพราะมันเห็นกันกับคันต ก, กุกดีของเขาชิดกูดพระพุทธเจ้าประดับอยู่ที่โนนมองไปเห็นเขาชิดกูดเห็นคันตะโ ก, กดีของพระพุทธเจ้าเจ้าปิสานก็มีกําลังใจเดินจํากงอยู่ในคุก ให้อมาดไปดูพระเจ้าวิษณ์ยังเดินจงกรมอยู่ยังไม่ตายมาดก็ออกมีดไปฉีดฝ่าเท้ามาให้เดินก็เดินมาได้ก็เลยตายอมาดมาบอกอมาดจากคุกตะลังมาบอกว่าพระเจ้าวิสา์ตายไปแล้ว ตั้งอำมาจทางรัชวังมาบว่าโอรสเกิดขึ้นมาแล้วพร้อมกันในโอกาสเดียวกันอันคนหนึ่งมาบอกเรื่องเจ้าเป็นสารตายดังให้ตายคนหนึ่งมาบอกว่าโอรสเกิดขึ้นแล้วเจอาอะคาเมสีเป็นชายปาริยันว่าลูกเกิดแล้ว คิดรักกั น, นเลยยังไม่เห็นหน้าโลกก็เห็นว่าลูกเกิดแล้วคิดรักกันเดลอก็ชี้เห็นพระเจ้าพิมสารโอ้ยพ่อของเราจะรักเราเหมือนเรารักลูกเดิ่ข่าวเดียวกันเลยในความบิดาจะให้พระเจ้าพิสารตายก็เกิดความเห็นใจว่าพ่อของเรักเราเหมือนเรารักลูกข่าวเดียวกันเลยเสียใจ จะเคือนก็คื่อนมาได้แล้วเ่าเป็นสารตายไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันความหลงที่มันเกิดกวามรู้ที่มันเกิดให้ดูดีๆอย่ามาคิดฟรีๆเอันนี้กน ม, มาลูตรงนี้มีประโยชน์ให้มาคิดลองไปจะได้รู้วันคิดข้างหนึ่งก็รู้วันข้างหนึ่งคิดสองข้างก็รู้ทันวันสองข้าอย่าเฉย อย่าไปทำมันอื่นอย่าไปพอใจไม่พอใจเวลามันหลงก็ไม่พอใจเวลามันรู้ก็พอใจไม่ใช่ปฏิบัติธรรมถอนความพอใจและความไม่พอใจออกหเห็นเฉยๆนี่คือกรรมฐานสักแต่ว่า <c oughs> บางทีเราก็อยู่ตรงนี้กันนานถ้ามันจะบอกก็ดีถ้ามันไม่สมบงบก็พุ่งจนไม่ดี ไม่ใช่มันก็มีเท่านี้มีกายมีใจเท่านี้ไม่มากไม่มีความมั่นใจเถอะมั่นใจมากมากไม่มีอะไรมากไปกว่วกายกดใจนะไมมั่นใจอะไรเกิดจาก1ันห้ารอยแปดมันอยู่ที่กายที่ใจเอาแน่ เช่นในวารณธรรมมันเกิดจากใจเราเนี่ยจากกายเราแน่ตัวอมชิทพงศรตนก็คือเรื่องใจความเลยสงสัยคือเรื่องใจความไมบาทคือเรื่องใจนามมรราคะปฏิฆะคือเรื่องใจไม่ใช่เรื่องอะไรแต่มันเปลี่ยนรสชาติมันก็คือใจท่านคืออะไรคือมันหลงมันเล็กน้อยอยาให้เป็นเรื่องใหญ่ บางคนเป็นเรื่องใหญ่ของง่วงเหงาหอนอนก็เป็นเรื่องใหญ่ไปถึงควาง่งวงเราเราเป็นผู้ง่วงแล้วมันก็ใหญ่ไปแล้วเป็นตัวเป็นตนไปแล้วเห็นมันเห็นมันโดยมันแม่ง่วงก็คือภาวะที่รู้เห็นมันอย่าให้มีกําลังอย่าให้นวดชาติมันเกิดอะไรขึ้นมันเชี่ยวกรบกายกับใจเนี้ย ไม่เปลี่ยนเราในเลยที่ตั้งมาอยู่ที่นี่ที่กาที่ใจเรานี่ยนี่ปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดเรามะสมน้ำหน้ามันเกิดขึ้นมาที่ใดก็รู้น้องตาเลยพูดว่านี่วรธรรมเหมือนมะแรลงสติเหมือนอินทรีจับปั๊บจับปั๊บได้เลยแต่เมืก่อนน้องตาเลี้ยงพึ่ง พึ่งทำเป็นโผงให้มันเป็นตู้ให้มันอยู่เฉาฉลาหน้าแล้วก็มีหลายลังเอาพึ่งมาจากเชียงรายอามาเลี้ยแล้วก็ที่มีเชียงแซวเยอะทชงแซววันจนินแม่พึ่ง พึ่งเลี่ยงนี่ยมันพึ่งโง่โบินไม่ไหวให้เหมือนพึ่งหลวงพึ่งหลังพึ่งป่าเวลาออกหลังเวาลาเข้าหลังบินบินโง่โมันเข้าทางเดียวือ้นกนกแสงแ่วมันก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็เวลาเพึ่งบินขึ้นที่ใดนกแสงี่ยมก็จับกินบิน นกไปเพจเนี่มันกินแมลงบนอากาไ ม, ม, ม่ใช่หาแมลงเหมือนยอดไ ม, ม้เหมือนนกกับเพจอื่นแจงแซวรู้จักแจงแซวไหมฮะนกแจงแซวตัวดำดำเวลาผึ้งตัวพึ่งบินขึ้นตัวแกก็แสวกินเวลาผึ่งบินเข้าหลังแจงแซวก็มาจอบจ้จอบเปจอบเล่จอบา ตัวพิ่งเป็นหมือนหลายแสหมดเลยแองเจวลมันจับกินอนนั่นก็จิบหายได้เพึ่งไม่มีเลยเพึ่งเลี้ยงมันเพึ่งอ่อนเดดแล้วก็ต้องมีหนังติกยิงแองเจิลอั น, นั่นก็ออกมาอยู่ไม่มีใครจะมปะนั่ง ยิงแจ้งแจ้วตลอดเวลาให้ให้คนมาเลี่ยงให้เขาก็ยิงไม่ไหวเราต้องทำมาหากินเวลาเลี้ยงคือทำํำมานอกจากไปมันไปหาน้าหวานจากเกสรดอกไม้แล้วก็เพิ่มน้าหวานให้มันเรียว่าน้ําเชื่อมนอกจากน้าเชื่อมไหมเอาน้าตาลมาทําน้าเชื่อมให้หวาน เหนยวเดยวจักหน่อยบาคนคนจักหน่อยเทยสถานพาข้าไวไวอะไรบันไหนหาหน้าหวาน่า้จากเจสอนมันก็เอาน้ำเชื่อมที่เราวางไวเอา้มันก็มันก็ย่อยให้ไปติดขามันมันก็จินน้าพึ่งมันก็ย่อยย่อยย่อ ย, ย, อยเป็นจินพึ่งเอาไปป้อนโูกมันใส่ลังไวให้โรกมันจิน มันก็เป็นน้ำพึ่งปลอมๆไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สติเหมือนอินทรีย์่จับปั๊บเลยนะ ไ, ไหมเพราะมันบินขึ้นมาเหมือนพึ่งจับเลยแต่ไม่ไม่ใช่จับพึ่งนะจับตัวคิดอะไรก็ตามชี้ขึ้นมาว่าเถีดรองว่า สติเหมือนแมวความคิดเหมือนหนูหลวงพ่ออยากจะเปรียบว่าสติเหมือนอินทรีใช่ไหมคมคิดเหมือนพึ่งบินเหาจับปับ๊บจับปับ๊บจับปับ๊บจับปับ๊ บ, บมาก็อยู่ไปได้หรอกถ้ามันบินไปปล่อยมันไปจำแล้วกลับมามันก็ยังไม่ปลดควมคิดขึ้นมารู้ทันรู้ทันรู้ทันรู้ทัน ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ปฏิปธธรรมนะเห็นรูปเผ็นนามเห็นธรรมชาติอาการต่างๆในวัตถุอการในปร ะ, ารประมาจารย์จับรูกแย่งจนไม่เป็นอะไรกับอะไรจบประมาจารย์ฐานของการปฏิบัติจุดหมแปลทางภาวะไม่เป็นอะไรกับอะไร ัจบมันทุกรูบหมดแล้วรูบหมดแล้วรวหมดแล้วรลบหม ด, ลหมดลลเลยความรักความพายความโลความโกรธหรือบวมทำเขางอหอนอนกลับมรคปฏิกะมรี่เป็นอาการตูร้หมดเลยจบไม่มีอะไรเลยแต่หลงตาก็จบในตอนนี้กับพระพอทธมรร